เหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลตอนที่18หน้า110หน้าขึ้นหัวข้ออริยสัจหมายเลข2บรรดาตัวโลกกะระททั้งหลายต่างก็เป็นตัวการใหญ่ที่สร้างปัญหาให้แก่ชีวิตทุกดวงเมื่อยังไม่มีปัญหาเมื่อยังไม่มีปัญญาเข้าใจถึงท่าแท้ ของโลกกระทำเราก็ตกเป็นทาตของมันมัวเมาอยู่กับมันยิ่งตัวท้ายๆก็ยิ่งเหนียวยิ่งกว่ายางมาตอยเสียอีกชีวิตจึงเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความคับข้องใจเพราะขาดปัญญานำวิธีการดำเนินชีวิตปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาที่คิดขึ้นมาเห็นกันเองง่ายๆ บางทีก็ต้องอาศัยผู้รู้เป็นผู้บอกกล่าวชี้แนะโดยเฉพาะนักบวชซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านปัญญาเลยทีเดียวชีวิตที่ไร้ปัญญาจึงยากที่จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหาหรือความทุกข์นั้นได้ปัญญากับชีวิตจะต้องพึ่งพิงกันดุดแสงสว่างกับเปลวไฟไหนจะต้องมีปัญญารู้ทุกข์ให้ได้ และเมื่อรู้ทุกแล้วก็จะต้องใช้ปัญญาเพื่อเรียนรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงวงเล็บสมูทยัยหรือเหตุจูงใจวงเล็บโมทีฟที่แท้จริงของความทุกนันนั้นทุกวันนี้เราก็แก้ทุกเหมือนกันแต่เป็นลักษณะนอกตัวออกไปนะแล้วก็ทุกเพราะกลัวเขาว่าก็เลยไม่กล้าทำอะไร หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือความจนก็เลยต้องหาเงินหรือมีเรื่องมีเรื่องกันก็หาว่าเขาผิดแล้วก็สุดท้ายก็คือลูกมันไม่ดีคืออันนี้เขาจะพูดถึงลักษณะการแก้ปัญหาของชีวิตนะนว่ามักจะแก้ออกไปในลักษณะที่นอกตัวเราทำไมถึงต้องแก้ออกไปนอกตัวเรา คือถ้าให้คนอื่นแก้มันง่ายเนี่ยตัวเองจะได้ไม่ต้องแก้แล้วมันจะง่ายตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมักจะคิดมักจะพูดอะไรที่จะให้คนอื่นแก้อยู่เรื่อยๆคือเราจะได้ไม่ต้องแก้แต่นั้นไม่ใช่ลักษณะของบัณฑิตถ้าเป็นอย่างของที่พุทธเจ้าท่านตรัสแล้วเนี่ยพุทธเจ้าท่านถือว่าต้องมองที่ตนเนี่ยก่อนนั้นต้องมองที่ต น, นดูความผิดของเราเนี่ยก่อนก่อนที่จะไป มองออกไปนอกตัวนอกตนไปมองว่าคนอื่นผิดเพราะนั้นท่านมีตรัสเอาไว้เลยท่านบอกว่าใครก็ตามนะ้าที่มองความผิดของตัวเองรู้ว่าตัวเองผิดแล้วก็แก้ไขสิ่งผิดให้กับตัวเองคนนั้นแหละนะเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้แท้รู้จริงแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยนั่นแหละที่มักจะชอบให้คนอื่นนั่นแหละเป็นผู้แก้ แล้วก็กล่าวโทษกล่าวผิดว่าคนอื่นนะ่ะทำไม่ถูกทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้คนอื่นแก้ซึ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะพะุทธเจ้าท่านจะใช้คำว่าเป็นคนพานนะท่านจะใช้สองคำคือบัณฑิตคำานึงกับพานอีกคำหนึ่งนะบัณฑิตคือผู้รู้ความจริงยอมรับความจริงรู้ความผิดยอมรับความผิด ส่วนพานเนี่ยจะไม่ยอมมักจะปัดออกไปนอกตัวนอกตนเสมอเราทุกวันนี้มัวแต่มองความผิดของคนอื่นไม่ยอมเฉลียวใจที่จะมองย้อนเข้าหาตัวเราชอบที่จะแก้ไขปัญหานอกตัวมากกว่าในตัวการแก้ไขการแก้ข้างนอกนั้นไม่ใช่การพ้นทุกข์แต่คือการสะกดทุกข์ไว้ต่างหาก เพราะการแก้ความทุกข์จากข้างนอกนั้นเป็นเรื่องรองลงไปจากการแก้ข้างในก่อนความทุกข์นั้นไม่ใช่อยู่ที่ความจนหรือความรวยความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่คนอื่นผิดหรือเราผิดแต่ความทุกข์มันเกิดจากจิตของเราเองมันออกมาจากห่วงความคิดของแต่ละคนไม่มีใครโยนใส่ลงไป ตัวเองต่างหากที่ลากมันออกมาด้วยความโง่วงเล็บอวิชชาไม่รู้เขาพูดอย่างนี้พวกเราพอเข้าใจไหมฮะเขาบอกว่าไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดไปเหมาลงที่ตรงไหนตัวอวิชชาของจิตเพราะนั้นในโลกนี้เท่ากับว่าไม่มีคนโง่ไม่มีคนเลวอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันมีแต่ มันมีแต่ความโง่มีแต่ความเลวที่เป็นอนวิชชาที่อยู่ในจิตของคนคนนั้นแต่ไม่มีคนโง่มีคนเลวเนะอ่า เ, เ, เพราะว่าไอ้ตัวกิเลสหรือว่าตัวโง่ของจิตที่เป็นอนวิชชาเนี่ยมันไปอยู่กับใครเลยทําให้คนนั้นโง่เลยทําให้คนนั้นเลวมันก็ถึงได้ช้สํานวนไงว่าอย่าไปเกียดตัวค น, นยอย่าไปเกียดตัวคนนะแต่เราเนี่ยควรที่จะเกียกกิเลสของคน แต่อย่าไปเกียตตัวคนเพราะถ้าใครเนี่ยไปเกียตตัวคนน่ะแสดงว่าคนนั้นเนี่ยยังมองภายนอกอยู่ดียังไม่ได้มองเข้าไปถึงภายในนะ่าให้เรารู้เหมือนกันความดีของคนเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปยึดที่ภายนอกของคนแต่เพราะอะไรเพราะเขามีวิ ช, ชานะเขามีสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในจิตเขาจนกระทั่งทาออกมาเป็นวิจีกรรมเป็นกายกรรมออกมาเราก็เลยเคารพศรัทธาผู้นั้น ผู้จาท่านถึงได้ตาดไงอะไรนะตัวก็ไม่ใช่เราหนังก็ไม่ใช่เราอะไรอก็ดูก็ไม่ใช่เราแล้วไงอีกน่ะอะไรใช่เราอ่ะนะไม่มีเราแล้วเราคือใครจังงั้นใช่จะเมากันใหญ่แล้วนะนะเราคืออัตตาแล้วอัตตาคืออะไรอ่ะอัตตาคือตัวตนเนอะตัวตนของจิตเนี จริงๆแล้วถึง จ, จิตจิตไงจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือที่พูดลักษณะอย่างเงี้ยไม่อยากให้พวกเรางงหรอกนะแต่อยากให้พวกเราชัดว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยตัวตนร่างกายจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆนะแต่จิตเราเนี่ยมันเป็นใหญ่เมื่อจิตมันมีอัตตาเมื่อจิตมันมีตัวตนถ้าเป็นอวิชชานะมันมีอัตตาเป็นอวิชชาถ้ามี อัตตาตัวตนเป็นอวิชชาแล้วคนคนนั้นก็จะทําเลวนะทำสิ่งที่ผิดนะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าใครมีตัวตน ม, มีวิ ช, ชาเนี่ยเป็นอัตตานะคนนั้นก็จะเป็นคนดีก็จะทําในสิ่งที่ดีออกมาเพราะจิตมันเป็นใหญ่จริงๆจิตมันเป็นประธานจริงๆอันนี้เรายังไม่ต้องไปมองไกลอ่ะยังไม่ต้องไปมองคนอื่นเอามองที่ตัวเราเนี่ย ว่นตัวเราเองเนี่ยเราจะดีหรือเลวนะมันก็อยู่ที่จิตเราเองเนี่แหละที่จะปรุงแต่งนะหรือว่าจะคิดนะจะสรรสร้างยังไงก็ล้วนเป็นจิตของเราปรุงขึ้นมาสร้างขึ้นมาหรือแม้แต่ความทุกข์เหมือนกันทุกมันก็อยู่ที่จิตเราจะปรุงแต่งหรือว่าจะสร้างอันนี้หมายถึงว่าทุก์ที่เป็นกิเลสนะเราไม่ได้พูดถึงทุกที่เป็น อะไรอะ่ะมาจากร่างกายมาจากาต้องกินอาหารต้องทายนะโดนแดดเผาก็ร้อนไม่ใช่ทุกแบบที่มันเป็นโดยธรรมชาติไอ้ทุกโดยธรรมชาตินั้นไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วล่ะทุกคนจะต้องมีจะต้องเป็นอยู่แล้วแต่ น, นี่เรากำลังจะพูดถึงทุกที่มันเกิดจากกิเลสนะที่เป็นอัตตาที่เป็นตัวตนของเราวันถ้าใครเนี่ยมองตัวเองให้ชัดๆคนนั้นก็ จะรู้แล้วว่าเออจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยเรายังเห็นความไม่เที่ยง เ, ยเห็นความไม่แน่นอนของกิเลสเราเองเลยบางครั้งถ้าจิตเราเนี่ยนะมันปรุงดีมันคิดดีขึ้นมาบางทีอ่ะเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดใครอะ่ะช่วงนั้นอารมณ์นั้นนะัเรารู้สึกว่าเออเบอิก บ, บานผ่องใสแจ่มใสแต่ช่วงไหนอารมณ์ไม่ดีก็พานรู้สึกว่าจะหาเรื่องคนนั้นหาเรื่องคนนี้อะไรไปหมดแหละซึ่งเราจะเห็นได้ นกะ็ขนาดจิตเราเองเนี่ยเราเราังเห็นกิเลสแล้วว่าเออมันเป็นไปตามมันจริงๆมันไม่เที่ยงนะแต่คราวนี้นะถ้าจิตใครเนี่ยฝึกฝนความดีฝึกฝนวิชาเนี่ยจนมาถึงจุ ด, จ, ดจุดหนึ่งที่พูุ้ทธเจ้าท่านบอกว่าจะเที่ยงนะจุดจุดนั้นก็คือนะ โอ้นิพพานมันไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเที่ยงอย่างถาวรแล้วอันนี้แค่แค่เที่ยงแม้ว่าจริงๆมันมันอะไรอะยังไม่ถึงนิพพานหรอกยังไม่ถึงอรหันต์หรอกเ อ, อแต่อย่างน้อยเนี่ยพอได้โสดาบันเนี่ยมันก็เที่ยงแล้วนะ อ, อแต่มันเที่ยงในระดับของโสดาบันเนี่ยแต่ทิศทางเนี่ยไม่มีลงต่ําอีกแล้วมีแต่ขึ้นไปอย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็เที่ยงแล้วนะแค่ ใครเนี่ยสะสมจิต ท, ที่มีวิชามากพอเนี่ยขึ้นไปเรื่อยแล้วจะขึ้นไปเรื่อยแล้วแต่ตามกีตความสามารถของคนนั้นว่าจิตคนนั้นเนี่ยจะเก่งแค่ไหนซึ่งอันนี้เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าเมื่อกิเลสเราเนี่ยมันไม่เที่ยงในจิตเราสามารถที่จะปรุงแต่งจิตสามารถจะฝึกจิตจนกระทั่งจิตเราเนี่ยสามารถฆ่ากิเลสได้ทําลายกิเลสได้จนถึงระดับหนึ่งที่กิเลสเนี่ยมันจะมา ฆ่าเราเนี่ยไม่ได้แล้วอาจจะทำให้เราบอบช้ำมัางนะมีแต่จะถึงขั้นทาให้เราตายนี่ไม่ได้แล้วเพราะเราจะมีชีวิตของจิตเนี่ยนะมันจะมีชีวิตของจิตเนี่ยจเจริญขึ้นเรื่อยเติบโตขึ้นเรื่อยเราจะชนะกิเลสเนี่ยมากมากมากมากมากขึ้นเรื่อยเยเพราะว่ามันเที่ยงนั้นไงเข้าใจไหมเราสามารถจะปรุงแต่งสามารถจะคิดจนกระทั่งทาลายกิเลส ในจิตเราเนี่ยได้มากขึ้นจนจิตเราเนี่ยไอ้กิเลสเนี่ยแหละมันลดลงเมื่อกิเลสมันยิ่งลดลงมากเท่าไหร่จิตเรายิ่งเที่ยงขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าผู้ที่เที่ยงต่อการตัสรูน้นี่ก็คือผู้ที่ทําลายกิเลสมาได้มากพอจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าโสดาบันเนี่ยนะเนี่ยเราสามารถจะทำลายกิเลสมาได้ถึงจุดจุดนี้แล้วถ้าถึงจุดนี้แล้วเมื่อไหร่ กิเลสเนี่ยมันลดลงจนกระทั่งที่ที่มันมีอยู่ในจิตเราเนี่ยมันไม่มากพอที่จะมาฆ่ามาทําลายกุศลของเราได้แล้วกิเลสมันไม่สามารถแล้วแต่เราเนี่ยจะมีกุศลเนี่ยสั่งสมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกิเลสที่มีอยู่ในจิตเราก็ยิ่งนานวันก็จะยิ่งโดนเราฆ่าเจียนลงไปบ่อยๆมากๆเข้งบางครั้งจะน้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะอย่างนี้แหละผู้นั้นถึงมีแต่เที่ยงขึ้นไปอย่างเดียวจนกระทั่งในที่สุดสามารถที่จะฆาดกิเลสจนสิ้นเกลียยงจนไม่เหลือเลยคราวนี้คนนั้นก็ไปเป็นพระอรหันต์แล้เพราะจะจะให้เห็นได้ว่าเออกิเลสเราเนี่มันไม่เที่ยงจริงๆแต่ต้องถามตัวเราเองว่าเราทําถึงขั้นเที่ยงขนาดนั้นแล้วหรือยังถ้าเที่ยงขนาดนั้นเนี่ยสติของเราเนี่ยมันจะแวไวไยเวลาเราจะไปทําผิดไปทําพลาด ไปทําอะไรเนี่ยมันจะมาทันทีเลยมันจะเตือนมันมันจะมาบอกทันทีนี่เป็นจุดที่ทําไมบอกว่ายิรีและโอตาปะคุ้มคลองคุ้มคลองโลกก็คือคุ้มคลองจิตวิญญาณเรานั่นเองยีรีและโอตาปะเนี่ยคุ้มครองจิตวิญญาณเราเพราะว่าพอเราจะทําผิดทําอะไรไม่ดีปั๊บจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาเลยจะมาเตือนจะมาบอกจะมาทําให้หยาดทําอย่างนั้นอีกทําอย่างนั้นอีกไม่ได้ เพราะเมื่อทำอย่างนั้นอีกไม่ได้มันก็มีแต่ว่าต้องเลิกทำและการที่เลิกทำนั่นแหละแสดงว่าเราต้องชนะกิเลสเราถึงจะเลิกทำได้ถ้าคุณไม่ชนะกิเลสคุณจะเลิกได้อย่างไงคุณก็ไม่มีวานเลิกเพราะนั่นแหละมันมันถึงจะชนะขึ้นมาทีละขั้นทีละตอนนั่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นมองเนี่ยมันต้องมองเข้าไปภายในเราให้เห็นพลังจิตของเราเนี่ยที่จะฝึกปรือที่จะให้มันเข้มแข็ง หรือว่าให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถที่จะเอาชนะกิเลส ข, ของตัวเราเองเนี่ยแหละได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นโซดาบันได้เนี่ยนะเอาแค่แค่ฐานโซดาบันเนี่ยผู้เจ้าถึงบอกว่าจะรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครมาบอกรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าตัวเองนี่เที่ยงต่อการตัดสู่ละหมายถึงว่าถูกต้องอย่างสัมมาทิฏฐิสัมมาเรียมักนี่นะ จะรู้ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องมีใครมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเที่ยงแน่นอนทำไปทำไปมีแต่จ ะ, จะเจริญนขึ้นมีแต่จะสูงขึ้นแต่สูงขึ้นตามฐานนะบอกแล้วนะตามฐานของโสดาบันยังหวยที่สุดก็ <c oughs> นะชักกะเยอะอยู่อา้าวเจ็ดครั้งนั่นแหละเจ็ดครั้งของสภาวะจิตเข้า <c oughs> ใจไหมเจ็ดครั้งของสภาวะจิตก็คืออย่างเก่งคุณอาจจะพลาดพั้ง เสียทีเสียท่ากิเลสไปบ้างนะไม่เท่าทันกลอุบายของกิเลสกว่าจะพลาดพลั้งบ้างแต่มันไม่เกินเจ็ดครั้งพลาดพลั้งกิเลสจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละนะโดยเฉพาะนั่นแหละเรื่องที่เป็นสักกายะนั่นแหละโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นสักกายะของเราะจะเรื่องอะไรอะ่ะจะเรื่องกินก็ตาม เ, าเรื่องกามก็ตาม มันจะไม่พลาดพังเกินเจ็ดครั้งไม่ได้เพราะว่าฮีรีและโอตาปะนี่นะมันจะตอกย้ําเข้าไปในจิตวิญญาณคุณตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าใครเกินเจ็ดขึ้นไปนี่คนนั้นไม่ใช่ละแน่นอนไม่ใช่แล้วแสดงว่าคนนั้นไม่เที่ยงจริงไม่เที่ยงต่อการตัดสั้ลุแล้วไม่ใช่แต่ถ้าใช่แล้วไม่มีเกินยิ่งถ้าแบบว่าเป็นโสดาบันชนิดเอกพีชีนะ แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคุณพลาดไปครั้งเดียวนี่คุณพูดง่ายใช้ภาษาเจนี้คือเข็ดจนตายอ่ะแค่ครั้งเดียวจะไม่ยอมให้มันเป็นอีกเลยเพราะคุณจะไปแต่ต้องไปจับไปทําอะไรที่มันเป็นกิเลสเรื่องนั้นนะคุณทันทีเลยคุณจะสะดุ้งเลยแหละคุณจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เรื่องเองเดี๋ยนะคุณจะไม่ยอมทํามันมันจะขึ้นมาในจิตคุณเอง ไอ้สอามครั้งมันยังโกลังโกละอันนั้นมันยังนะ เ, ออเราต้องเอาเอกซับพีชีละครั้งเดียวนี่มันโอ้โหครั้งเดียวก็เกินพอนะ one is not enough หรือเปล่าหรือว่าครั้งเดียวไม่ไม่เคยพอหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะแหมครั้งเดียวไม่เคยพอโอ้โหไอ้อย่างนั้นนะ่ยมันมันจะหาความเที่ยงในจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้แต่เนี่ยาอาตมาเนี่ย พูดไปเนี่ยถ้าใครมีสภาวะที่ ท, ที่ฝึกปืออยู่นะคนนั้นจะรู้ตัวเองว่าเออเอ อ, เ อ, อใช่ใช่เราจะเห็นอาการของจิตเราจริงๆว่าเวลาเราสู้กิเลสเราชนะกิเลสในะสภาวะจิตมันเป็นยังไงเวลาชนะเป็นยังไงเวลาแพ้เป็นยังไงแพ้แล้วหิริโอตะปะเนี่ยมาเล่นงานเรายังไงบางคนเนี่ยโหขนาดที่ทาผิดอยู่นะจับได้แล้วจับได้แล้วว่าโอ้โหไม่น่าทาเลยเข็ดจนตาย งานงานอย่างนี้เนี่ยกิเลสอย่างนี้นี่ไม่เอาแล้วคราวหน้านี่จะไม่มีอีกเลยถึงขั้นอย่างนั้นเลยได้จิตที่มันรู้เลยมันบอกตัวเองเลยไม่ต้องมีใครบอกเลยเพราะนั้นคราวไหนเนี่ยคุณไปเจออะไรเนี่ยที่เป็นเรื่องกิเลสของคุณแล้วคุณรู้ตัวแล้วคุณบอกในตัวเองเนี่แหละบอกกับตัวเองอย่างนี้่คุณจะรู้เลยว่าเออเอเอนี่มันสติสมัมปชัญญะฮิริโอต ป, ปะนี่มันขึ้นมาเตือนอย่างนี้ คนนั้นถึงจะเที่ยงเนี่ยถ้าคุณไม่มีตัวเหล่านี้เน่คุณไม่มีวันเที่ยงหรอกพอจะเข้าใจใคำว่าเที่ยงมนเนี่ยที่ว่าทัไมเที่ยงต่อการตัดสรู้นี่จะมีลักษณะอย่างไงจะมีลักษณะอย่างนี้แหละที่อามารพยายามจะพูดจะพยายามจะสื่อให้ฟังมันจะเที่ยงจริงๆเหมือนกับบางคนเนี่ยเอยาเอาที่หยาบๆพี่จะให้คุณเห็นชัดๆเพราะว่าคุณรู้ว่าสมมตินะถ้า เอหัวปลั๊กไฟมันไม่ดีถ้าคุณคุณเอาตอแนแรกคุณไม่รู้คุณไปเสียบพอคุณเสียบปลั๊กโอ้โหมันระเบิดตูมนะคุณจําเลยนะแล้วคุณก็อออืืรู้เลยข่าวนี้นะพอจะไปจับปลั๊กทานองนี้เข้าอีกนะคุณเอาแล้วสิไอ้หัวปลั๊กอย่างนี้เนี่ยไม่เสียบเหยียขาดเลยน่าจะด้วยความกลัวตายหรือว่าแล้วแต่นะ แต่ น, นี่กำลังจะพูดในลักษณะที่ว่ามันเข็ดมันกลัวเลยมันจะไม่เสียบเลยมันจะไม่ยอมเสียบเพราะมันรู้ว่าเดี๋เสียบไปแล้วเดี๋ยวมันระเบิดมือมือพังแนะ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะกลัวแต่ใครที่ไม่รู้นะคนนั้นก็ยังจะบวมาดอยู่แล้วก็ยังจะทําอยู่ยังจะกล้าที่จะเสียบอยู่มันจะเป็นอย่างเงี้ยหรือสมมุติเรื่องอื่นอีกก็ได้นะเรื่องที่บางคนนะ่ะบางทีเอาเอ า, เอาพวกทําครัวก็ได้ บางทีหันอะไรหันของเนี่ยบางทีอ่ะหันหันหันรู้ว่าถ้าหันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโดนบาดนิ้วหรือว่าบาดมือเข้าไปนะมีอยู่ครั้งไหนพอหันไปแล้วบาดโดนเนี่ยโอ้โหเอาละเจ็บนะต้องไปทายาต้องไปอะไรแล้วก็โอ้โหกลัวบางคนนี่น้าสิทธ์เลยนะแต่พอเขาหน้าวันหลังเนี่ยจะต้องไปหันอย่างนี้อีกจะต้องไปทํานี้อีกเอาแล้วมันจะมาทันทีเลย มันจะมาเตือนมันจะมาบอกคุณทันทีแต่ถ้าคุณประมาทอีกนั่นแหละคุณประมาทอีกคุณอาจจะโดนโดนอีกนะถ้าคุณยิ่งไม่เก่งเนี่ยสติหรือว่าสิ่งที่มาเตือนจิตปัญญาเนี่ยนะถ้าคุณไม่เก่งเนี่ยนั่นแหละก็จะเป็นแบบก๊ังก๊ละก็คือสองครั้งสมครั้งแล้วถึงจะเข็ดนะส่วนใครไม่เก่งกว่า น, นั้นก็อย่างที่ลกี้บอกต้อง7ครั้งนั่นแหละมันถึงจะเข็ด แล้วจะไม่มีครั้งที่แปดอีกเลยจะไม่มีครั้งที่แปดอีกให้เด็ดขาดนไม่รู้ต้องไปถามผู้ที่เขาแต้งตั้งไอ้นี่มาต้ไปถามพระโพธิสัตว์ขั้นที่เจ็ดดู ว, ว่าทำไมเขาต้องตั้งเจ็ดครั้งอะไรอะไรก็เจ็ดอยู่เรื่อยอัตมาว่าไม่ต้องไปที่มันปวยหัวหรอกนะให้มันรู้ก็แล้วกันว่าเอาละตั้งเป็นตัวเลขตั้งเป็นอะไรอย่างนี้แหละ นะนะมันก็คงจะครบรอบของมันในจุดจุดซึ่งอาตมาบอกแล้วว่ามันจะมีจุดจุดหที่จุดจุดนั้นแหละเป็นจุดที่คุณทําเร็วกว่านั้นอีกไม่ได้คุณทําชั่วกว่านั้นอีกไม่ได้แต่ระดับ7 เ, เนี่ยหมายถึงว่าไ ม, ไม่ไม่เกิน7ครั้งเนี่ยเป็นระดับของโสดาบันที่คุณจะไม่เกินนั้นเข้าใจไหม เ, เราอาจจะไม่มีความรู้เก่งกว่า น, นี้ว่าเอาทําไมมันจะต้อง7อ่นะ แต่บอกแล้วสองสามครั้งคุณก็ยังอยู่ในโสดาบันนี่น ะ, ะหรือครั้งเดียวนี่ยังอยู่ในโสดาบันนี่เหมือนกันนะแต่เมื่อจะแก้ทุกข์จึงต้องแก้ที่ใจไม่ใช่ไปแก้ข้างนอกมันก็คล้ายกับโลหิตัสที่เหาะไปที่สุดแห่งโลกมันก็ย่อมไม่มีวันจบสิน้นหยุดเหาะนั่นแหละคือความจบเอพูดอย่างนี้เหมือนละกี้นีิใครพูดอะบอกว่าอ้าถ้าอะไรอะไรก็อยู่ที่ใจ อะไรๆก็อยู่ที่ใจเราไม่ใช่คนอื่นทาให้อย่างนี้ลองเอาไม้ตีหัวสักทีดีหอาเอาไม้ตีหัวสักทีดูที่ว่าทุกนี้อยู่ที่ใจหรือหรือว่าทุกนี้อยู่ที่หัวกันแน่หรือว่าอยู่ที่คนอื่นเอาไม้มาตีหัวเราทุกอยู่ที่ไหนกันแน่ทุกอยู่ที่ใจอะเอาจริงระเดี๋ยวจะได้ให้ใครลองดูอทุกอยู่ที่ไหน อ๋อเจ็บจแต่ไม่ทุกข์เหรอเอาแม่ลองดูห <c> เ <oughs> จ็บแล้วไม่ทุกข์เนี่ยลองไหม <c oughs> ตีหัวแล้วก็ยังยิม้มเอาเลยเอาแมแม่แต่อันนันกันจะไงเอาใครอ่ะฮะอันนันเอาไหมนะ <c oughs> มันมันถูกไหมอย่างเงี้พูดอย่างงี้ถูกไหมทุกอยู่ที่ใจนะอ้ะอาว อ่าอ่าอ้าวก็นั่นนั่นสิอาอันนั้นอัตมาก็ยอมรับแหละว่าเอาคุณก็บอกว่าทุกอยู่ที่ใจอ่ะอ่าแต่สมมุติอาจจะมาบอกว่าเอาไม้ล่ะลองให้คนเอาไม้มาตีหัวคุณไหมเราจะลองดูว่าทุกอยู่ที่ใจไหมหรือว่าทุกอยู่ที่ไม้เขาตีหรือว่าอยู่ที่หัวเราแตกทุกอยู่ที่ตรงไหนกันแน่นะ ใจเป็นผู้รับทั้งตั ว, ตวใจมันรับหมดอธแสดงว่าจิตมันอยู่ที่ทุกส่วนของร่างกายกนนะจิตมันอยู่ที่ทุกส่วนของร่างกายเพราะฉั้นถ้าตีหัวก็คือตีจิตเหรอาา <laughs> เอา้เอาอย่างนี้ถ้าตีหัวนะก็คือจิตจะต้องมารับใช่ไหมจิตจะต้องมาถูกตีใช่ไออถ้าเอาจิตออกออก็ตายสิ <laughs> เก็ตีคนตายไม่เจ็บใช่ไหมตีิยานไม่อยู่ก็มไม่เจ็ บ, จบอ้าวแล้วอย่างนี้จะทําไงอ่ะก็สมมุติว่าอย่างนี้เราจะคลายทุกข์โดยที่ยังมีชีวิตอยู่จะทําไงไอ่า แ, แล้วคราวนี้ใครจะอธิบายได้ยังไงบ่ามันอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกอ่าเราจะอธิบายยังไง อธิบายตัวอย่างที่ว่าเล่นเอาจิ ต, ต<า>ออกไปเลยก็ตายสิต้องต้องเอาตอนมีชีวิ ต, ตอยู่สิแหมตายแล้วมันไม่ทุกข์แล้วมันเหลือแต่ร่างกายแล้วจิตวิญญาณมันก็ไปของมันก็ทั้งตัวนอะละคือจิตเออในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วนะ่ะถ้าทั้งตัวเราคือจิตนะถ้าจิตเราเราดีเขามาตีเราก็คงไม่โกรธใช่ไหมถ้าจิตเราดี ถ้าจิตเราไม่ดีเขามาตีเราก็โกรธเพราะฉนั้นมันอยู่ที่จิตเราเนี่ยปรุงคิดว่าดีหรือว่าไม่ดีใช่ไหมหรือเอาอย่างที่บอกว่าจิตเราจะปรุงว่าเฉยเฉยถืออุบเบกขาซะเฉยเฉยใครมาตีก็ไม่ปรุงไม่คิดไม่นึกนะไม่สนใจใครจะมาตีหัวเราแตกแตกก็แตกไป หัวเราก็เหมือนกับหัวหินเอาอุเบกขาไงนะจริงๆว่าว่าทุกเนยมันอยู่ที่จิตเราก็จริงๆนะแต่ว่าความจริงเนี่ยจิตเราเนี่ยมันปรุงมันนึกมันคิดอยู่เมื่อตาบได้เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันก็สื่อสัมพันธ์กันนะมันก็อะไรอะไปด้วยกันยกเว้นว่าอาวัยวะส่วนไหน <st> ด้านซะ ไปนำมาพึกแปลมาพาดไปซ่าไออวัยวะส่วนนั้นมันก็เหมือนกับไม่มีไม่มีจิตอยู่นะถ้ามันด้านไปซ่าอะไรไปซ่าแต่ถ้าโดยปกติโดยธรรมดาแล้วเนี่ยจิตมันก็ไปทั่วร่างเราเนี่ยมันอยู่ได้ทุกที่อยู่ได้ทุกคนทุกแห่งในร่างกายของเรานะเพราะฉะนั้นร่างกายก็มีชีวิตจิตก็มีชีวิตแล้วสองชีวิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นชีวิตเดียว สองชีวิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเสร็จแลแ้วตอนนี้เนี่ยพออย่างเงี้ยใครจะมาทำทาร้ายทำเลวหรือว่าใครจะมาตีหรือว่าใครจะมาอะไรก็ตามนะจิตมันก็จะไปรับจริงๆนั่นแหละจิตมันก็จะปรุงวันคราวนี้ที่บางทีเราบอกว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราเอาจิตเราออกไปไม่ใช่แต่หมายความว่าเราสามารถที่จะ อะไรอ่ะบังคับจิตเราได้หรือปรุงจิตเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลได้นั่นเองเราก็อพ้นอวิชชาออกมาจิตมันก็จะได้ไม่ไปปรุงเป็นเป็นกุเป็นอกุศลหรือว่าเป็นเป็นอวิชชาจิตมันก็จะไม่ปรุงอย่างนั้นเมื่อจิตมันไม่ปรุงอย่างนั้นจเจ็บไหมเจ็บเจ็บแต่ไม่ทุกข์ฟังดูให้ดีนะ เจ็แต่ว่าไม่ทุกข์นะไม่จ้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปเกลียดเขาก็ได้แต่บอกแล้วว่าถ้าถ้าหัวเราไม่ไม่ไม่เป็นอมัอมพฤกษอัมพาตไปซะนะเขาตีมาเจ็บแน่หัวแตกเลือดไหลแต่ว่าไม่ทุกข์แต่เจ็บฟังดูให้ดีนะพราะอันนี้แหละความสงคัญมันมั น, มนงอยู่ที่ตรงนี้ในความพ้นทุกข์นะแต่ไม่ใช่ แม้ร่างกายเลยไล้ความรู้สึกเลยไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายยังรู้สึกอยู่แต่จิตเราเนี่ยมันจะไม่ทุกได้เพราะจิตเราสามารถฝึกสามารถปรับจิตเราเนี่ยได้นะจิตเราจึงไม่ทุกอันนี้ขึ้นอีกหัวข้อหนึ่งหน้าที่ของชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดจึงเหมือนเครื่องกระตุ้นธาตุแท้ของแต่และชีวิตให้ปรากฏออกมาเมื่อเราเป็นผู้มีหน้าที่ คอยทำความสะอาดห้องน้อยๆของเราจะมัวโกรธเคืองถือสาไปใหญ่ถ้าหากจะมีใครมาชี้ความสกปรกที่เรายังล้างไม่หมดไม่มีใครที่สามารถโยนความสกปรกเข้ามาในห้องของเราได้หรอกเขาโยนโทสะเข้ามาหรือโยนโลภะเข้ามาหรือก็เปล่าเขาเพียงแต่มาชี้ให้ดูเท่านั้นเองเห็นจะต้องถามตัวเองว่าพอใจนักหรือ เพียงแค่ปลอบตัวเองว่าห้องของเรายังคงสะอาดสะอ้านอยู่ทั้งทั้งที่เป้าหมายชีวิตของเราเมื่อเกิดมาแล้วมาเมื่อเกิดมาแล้วแล้วเราเพียงขอให้ขจัดสกรปรกออกไปจากห้องให้หมดเกลี่อนเราควรโกรธหรือหรือว่าควรดีใจที่ได้รู้เจ้าความสกรปรกที่แอบซ่อนอยู่หรือว่าขี้เกียจ นะอันนี้ก็ย้ำ ม, มาจากาหัวข้อที่แล้วอะนะว่าเราก็ต้องรู้สภาวะจิตของเราให้ได้แล้วก็แทนที่จะไปโกรธคนอื่นก็น่าจะดีใจที่คนอื่นเขาจะมาอะไรอะ่ะมาสร้างผัสสะมาคุยเขลียสิ่งสกโปกในกจิตเราเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เรานี่ยแหละเห็นเองไม่ใช่เคลียรเพื่อที่จะคนอื่นเขาจะได้เห็นนะไม่ใช่ แต่เคลียร์แล้วเราจะได้เห็นตัวเราเองเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาทําให้เราโกรธใครมาทําให้เรารักใครมาทําให้เราชังอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาขึ้นมาเนี่ยล้วนเพื่อที่จะมาเคลียร์กิเลสเราถ้าเรามีอยู่นะเคลกิเลสเราเนี่ยขึ้นมาให้เราได้เห็นกิเลสเราแล้วเราได้เห็นกิเลสนี่แหละเราถึงจะ ก, กําจัดกิเลสหรือกําจัดความสะกะปรกในห้อง น, น้อยก็คือในจิตวิ ญ, ญญาณของเราเนี่ยได้ ให้สะอาดขึ้น